เพ่งพากันตั้งใจสํารวมใจของตนให้แน่วแน่การสํารวมนี่แหละเป็นความดีถ้าขาดการสํารวมแล้วอะไรก็ไม่ดีสักอย่างเพราะความสํารวมนี่มันเป็นการระมัดระวัง ตัวอยู่เสมอคือระวังไม่ให้กิเลสอันชั่วร้ายมันเกิดขึ้นในใจถ้าบุคคลไม่ระมัดระวังแล้วมันก็หมายถึงความเผลอเผอตัวหรือเผลอสติเมื่อเผลอสติแล้วกิเลสมันก็ได้ช่องเพราะมัน คุมเชิงมาอยู่แล้วกิเลสมันคุมเชิงมาเรื่อยๆในสงสารอเ น, นี้ยเวลาใดบุคคลมีสติสัมบัติญะอยู่เวลานั้นกิเลสมันก็ลุกขึ้นไม่ได้มันก็เก็บตัวอยู่เงียบๆ เ, เหมือนไม่มีกิเลส ท่านพอเพอสติเข้าไปเท่านั้นมันก็ลุกขึ้นมาได้เลยอันนี้เรว่ะเป็นเรื่องจริงทีเดียวแต่ถ้าผู้ที่ไม่ได้ทำดูแลก็ไม่รู้ผู้บำเพ็ญมาผู้กระทำมาเท่านั้นแหละจึงรู้ได้ ผู้ไม่ได้ทำรวมตนนั่นมันก็เหมือนกับปลามันแช่อยู่ในน้ำน่นนะมันไม่รู้จกักหนาวจากร้อนอะไรไอ้ปลานี่นะมันอยู่จนชินเลยถึงแม่น้ำมันจะเย็นมันก็รู้สึกธรรมดาเพราะมันชินซะแล้วอันนี้คนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละ ไม่ได้สำรวมกายวาจาใจไม่ได้สำรวมกายวาจาใจปล่อยให้กิเลสมันหุ้มห่อเอาเมื่อก็เป็นเช่นนั้นเะอืมปล่อยให้กิเลสมันลุกลานเอา จิตใจมันก็เลยเป็นไปในฝักฝ่ของกิเลสเมอกิเลสมันจะเผารนเอาให้เป็นทุกข์เดือดร้อนก็ทนทุกข์ทรมานไปอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้นึกว่าตนเป็นทุกข์เพราะกิเลสมันลบ ก, กวนเอาไม่ได้คิดอย่างนั้น นึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปอันนี้ควรคิดสำหรับท่านผู้ทำจิตให้สงบลงไปได้เป็นข้างเป็นขาวอย่างนี้นะมันเห็นความสุขอันเกิดจากความสงบแล้วพอแต่เผลอไปหน่อยหนึ่งกิเลสมันเกิดขึ้นมันก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์แล้ว รู้สึกว่าไม่สบายแล้ว <c oughs> ดังนั้นผู้เช่นนั้นน่ะจึงได้พยายามสำรวมตนอยู่เสมอระมัดระวังไม่เผลอตัวเพราะถ้าเผลอตัวแล้วกิเลสมันเผาจิตเอาเดือดร้อนเห็นนั้นจึงได้สำรวม มีสติสมปัญญะระลึกถึงกายถึงใจนี่บ่อยๆกำหนดดูร่างกายว่ามันจะแตกกระดับอยู่อย่างไรมันไม่เที่ยงอยู่อย่างไรมันแปรผันไปยังไงก็กำหนดรู้กำหนดดูร่างกายอันนี้ มันสุข์ก็ปรกโสมมไปอย่างไรมันทรงกลิ่นเป็นอย่างไรนี่ก็ต้องกำหนดรู้อยู่เสมอเมื่อกำหนดรู้ว่าร่างกายนี่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันแปรผันไปอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่มันคงที่อยู่ได้ แล้วก็เป็นธรรมชาติที่ไม่สะอาดต้องปฏิบัติขัดเกาอยู่เสมอต้องขัดถูอยู่เสมอต้องชำระล้างอยู่เสมอจึงพออาศัยอยู่ได้ถ้าขาดการดูแลรักษาแล้วไม่ไหวร่างกายนี่นะอ่ม เนี่การที่สำรวมสติระลึกเข้ามาดูความเป็นไปของร่างกายอย่างนี้นะมันจะเป็นเหตุให้คนเราตื่นตัวได้อจะได้คลายความกำดัดยินดีให้เบาบางออกไปเมื่อคลายความกำนัดยินดีให้เบาบางออกไปแล้ว มันก็ไม่ได้ทําบาปเพราะความกํำลัดยินดีนี่มันเกินขอบเขตแล้วมันเป็นเหตุให้คนเราทําบาป ừ, เรื่องมันนะเพราะฉะนั้นทีแรกในการบําเพ็ญนะมันก็จะต้องทําให้กิเลสเหล่านี้บรรเทาลงไปก่อนอันจะไปละให้มันขาดเด็ดไปทีเดียวนะมันยังก่อนหรอกยังไฟไม่ได้คน ผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่นี่เ่าจะขอให้มันบรรเทาลงไปนั่นะนั่นแหละณบอิเป็นจุดประสงค์ของผู้ปฏิบัติธรรมในยุคในสมัยที่คนมีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่เมื่อกระทำความเพียรไปดำเนินถูกทาง มันก็ค่อยเบื่อค่อยนายไป <c oughs> ความเบื่อหน่ายกับความกำหนัดยินดีมันก็เป็นปฏิปักต่อกันเมื่อความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นความกำหนัดยินดีมันก็เบาบางลงเพราะฉะนั้นทำยังไงจิตนี่มันถึงจะเบื่อหน่ายก็พากันบำเพ็ญเข้าไป อบรมตนเองสอนตัวเองเข้าไปก็โดยมาเพ่งพิจารณาความเป็นไปของร่างกายดังกล่าวมานี่แหละที่มันจะเบื่อหน่ายขึ้นมาได้นะถ้าไม่ได้พิจารณาแล้วมันไม่เบื่อมันมีตั้งแต่ จ, จะชอบใจเลื่อยไปเพราะว่าอาศัยการตกแต่ง การตกแต่งเช่นเอาผ้าหนุ่งผ้าโฮมมานุ่งมาโฮมปกปิดส่วนที่มันไม่สะอาดนั้นไว้แล้วก็โดยอาศัยการอาบน้ำชำระขัดถูด้วยสบู่อยู่เสม อ, อ, อจึงไม่สรงกลิ่นออกไป อันนี้นะมันเป็นเครื่องปกปิดไอ้สิ่งที่ไม่สวยไม่งามนะั่นน่ะไว้ทำให้คนเราหลงสำคัญว่าตนสวยตนงามไปนี่แหละทำให้คนเราเพลดิดเพลินเมื่อเพลินแล้วมันก็ลืมศีลลืมธรรมลืมบุญลืมกุศลไปหละ ลืมนึกถึงว่าอัตภาพร่างกายนี่เป็นมาอย่างไรมีเหตุปัจจัยเป็นมาอย่างไรแล้วเพราะอะไรกิเลสเหล่านี้มันจึงเกิดขึ้นในใจมมนีมันลืมนึกไปเลยไม่ได้ทบทวนก็มาคิดมาตรองแล้วมีแต่ส่งใจออกไปข้างนอกนั่นเลยไป คนส่วนมากเป็นอย่างนี้เนี่ยอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จึงได้มีสถานที่ลื่นเล ง, ต, งต่างๆปานดอกเห็ดเลยโลกอันเนี้ยเนื่องจากว่ามนุษย์เรานั่นไม่ขาดการสำรวมขาดการสำรวมหนึ่งขาดการเพ่งพินิจพิจรารณา แม้แต่ผู้ที่เข้ามาบวเรียนในพุทธศาสนานี้ก็เหมือนกันผู้ใดประมาท้วผู้นั้นก็ไม่มีการสำรวมเพียงสักแต่ว่าทรงเพศผ้ากาสาวพัตไปโกนผมโกนคิ้วไปประพฤติขอ้อบวปฏิบัติไปตามสมณวัตร เช่นเที่ยววินธ บ, บาทเป็นต้นเหล่านี้แต่ภ า, ายในจิตใจไม่ได้สำรวม ม, มีแต่เพลิดเพลินมีแต่ส่งใจให้ลื่นเลงไปตามอารมณ์ที่น่าชอบใจต่างๆในโลกเช่นนี้เลยถ้าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็ทำให้พรหมจรรย์เศร้าหมองอม พมจันทรร์เศร้าหมองกระหมายถึงใจเศร้าหมองนั่นเองไม่ใช่อย่างอื่นได้ถ้าเป็นผู้ครองเรือนอย่างนี้ก็ก็เศร้าหมองเหมือนกันเลยเป็นคนเจ้าชู้มายาสาไถหาแต่ความสนุกสนานยินดีแต่ในสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆ ก็มีใจเศ้าหมองขุนมัวอยู่ด้วยราคะตัณหาสเสวงหาทั้งแต่รู้เสียงกลิ่นลดไม่เป็นอันรรมมาหาเรียงชีพหาเงินหาทองได้มาหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาไปปรนเปรกามคุณเมทุนสังโยชน น, นี้แหละที่พระศาสดาทรงตรัสว่า บุคคลบำเพ็ญตนเป็นนักเกรงเจ้าชูมันเป็นไปเพื่อความเสื่อมจากบุญจากกุศลเสื่อมจากมรรคจากผลธรรมวิเศษเสื่อมจากผนทางพ้นจากทุกมั่นก็เป็นความจริงสิจะไม่จริงยังไงอ่ะเพราะว่าเมื่อใจนี่น้อมไปทางใดทางหนึ่งแล้วมันก็ทิ้งทางหนึ่งอ่ เมื่อมันน้อมไปทางกิเลสตัณหาแล้วมันก็ทิ้งทางศีลธรรมไม่ค่อยมาเอื้อเฟือ้อไม่สนใจในศีลในธรรมในบุญกุศลมันเป็นธรรมดาอย่างนี้เพราะว่าใจดวงเดียวอะ่ะเมื่อน้อมไปทางหนึ่งแล้วมันก็นแล้วทางหนึ่งแหละทีนี้ถ้าผู้ใดตื่นตัวอย่างว่ามาแล้วนั่นแหะ พยายามสกัดกั้นกระแสจิตความคิดนึกอย่าให้มันส่งสายออกไปข้างนอกอย่าให้มันยินดีเพลิดเพลินไปในกรรมคุณเมถุนสังโยน์อย่างที่ว่านั่นเน่สกัดกั้นมันไว้ภายในนี่ด้วยอาศัยขันติความอดทนหนึ่งสติสัมปชัญญะความระลึกได้ความรู้ตัว รู้ว่ากายอยู่ตรงนี้จิตก็อยู่ตรงนี้อย่างนี้ไม่อยู่ที่อืน่นทาความรู้ตัวอยู่อย่างนี้ก็าตามธรรมดาจิตนี่มันก็อยู่ที่นี่แล้วแหละอยู่ในหาไทยวัตถุนี่นะแต่ว่ามันอยู่ที่นี่แต่มันระลึกส่งออกไปข้างนอกคือกระแสของจิตนี่นะ มันพุ่งออกไปข้างนอกนู่นอาศัยกิเลสมันผลักดันเอาแบบนี้สตินะเป็นเครื่องกั้นกระแสของกิเลสเหล่านี้หมายความว่าอย่างนั้น<ม>เหมือนอย่างเขาทำทำนกกั้นน้ำม่ให้มันไหลลงไปเบื้องต่ำให้มันไหลขึ้นไปสู่ที่สูงที่นาที่สวนอะไรนู่นอย่างนี้แหละ อันสติสัมปชัญญะนี่ก็เป็นเหมือนกับทำนกถ้าผู้สร้างขึ้นนะถ้าไม่สร้างขึ้นมันก็ไม่มี ม, มีโยสติแต่ว่ามันระลึกไปทางอื่นทางที่ไม่เป็นประโยชน์นั่นมากต่อมากเนื่องมนะัน่ะไอที่มันความระลึกที่มันเกิดเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงก็คือระลึกเข้ามา ดูอัตภาพร่างกายนี่แล้วก็ ล, ลึกเข้ามาสกัดกั้นความคิดความนึกของดวงกิดนี่ไม่ให้มันคิดซ่านออกไปข้างนอกนี่เป็นสติสมัมปัญญะที่มีประโยชน์ต่อตนเองมากมายนี่แหละคำว่าฝึกตนนะมันก็ฝึกอย่างนี้เองเนี่ยอย่าไปเข้าใจอย่างอื่นนั่งอยู่ก็ฝึกตนได้เดินไปก็ฝึกตนได้ นอนอยู่ก็ฝึกตนได้ยืนอยู่ก็ฝึกตนได้ถ้าบุคคลใดสำมรวมสติสัมปชัญญะเข้ามาภายในเนี่ยไม่ระลึกส่งออกไปข้างนอกแล้วจิตใจมันก็ค่อยหนักแน่นเข้าไปแหละเมื่อสติสัมปชัญญะนี่มันสกัดกัน้นไม่ให้คิดฟุ่งออกไปข้างนอกได้ละ มันก็กระแสจิตนี่มันก็มีแต่คิดนึกไปในทางที่เป็นบุญกุศลคิดนึกไปในทางที่จะต้องการอยากหลุดอยากพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหานี้นี่เมื่อเมื่อสกัดกั้นมันอยู่ได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นนะพะมันมารู้สึกสัมผัสกับร่างกายอันนี้ไม่ปกติอยู่ได้สาเหตุที่มันอยากจะหลุดจะพ้นไป เดียวก็สัมผัสกับความทุกข์เดี๋ยวก็สัมผัสกับความสุขอยู่อย่างนั้นแหละมีสองอย่างนี้แหละไอท้ที่จิตมันวันไว้ไปไปม า, มาอันเมื่อมันได้สัมผัสกับความสุขก็ดีอกดีใจเมื่อมันได้สัมผัสกับความทุกข์อา้าก็เสียใจโทมนัสขับแขนใจ อยู่อย่างนี้นะลองพิจารณาดูมเมื่อเป็นเช่นนี้นะผู้ที่มีสติสมชัญญาสกัดกั้นกระแสจิตไม่ให้คิดออกไปข้างนอกมากำหนดเพ่งดูอยู่ภายในนี่มันก็เห็นความแปรปรวนของร่างกายอันนี้มากระทบกระทั่งกับจิตนี่อยู่บ่อย เดี๋ยวก็เจ็บโน่นเดี๋ยวก็ปวดนี่เดี๋ยวก็ร้อนมากเดี๋ยวก็หนาวมากเดี๋ยวก็อ่อนเพลียเป็นลมเมืม่อเมือม่อเมือม่อมันมีความรู้สึกอยู่อย่างนี้มันก็ทำให้เบื่อหน่ายขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมานะ่ะถ้าไม่กำหนดใจให้สัมผัสให้รับรู้ ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอยู่อย่างนี้นี่มันไม่เบื่อไม่ได้ขอให้เข้าใจอันนี้หละที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มานึกถึงร่างกายอยู่บ่อยๆนี่เมื่อมันเห็นร่างกายตามเป็นจริงอย่างว่านี่มันจะเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายมันก็ค่อยคลายความกำหนัดยินดีออกไปเรื่อยๆนี่ถนทางของจิต เมื่อดําเนินถูกทางแล้วมีแต่มันคลายออกไปมันไม่รัดตัวเองให้แน่นเข้าไปมีแต่คลายออกไปเรื่อยมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันคลายออกไปได้เท่าไหร่ก็ใจก็เบาปลอดโป่งไปเท่านั้ น, ไ ม, นไม่หนักไม่รวงไม่อึดอัด อ, อ ม, มันเป็นอย่างนั้นเดืองมนะันเหมือนอย่าง บุคคลหาบของห น, หนักอยู่บนบ่าแล้วก็มาพยายามปงลงนะเมื่อปงลงได้แล้วมันก็เบาบ่ า, บาแล้วนันนี้เบาตัวเลยประเดี๋ยวแต่เวลาของยังอยู่บนบ่านั้นนะมันรู้สึกหนักหน่วงมากทีเดียวนะต้องมีความอดความทนต่อ ความเจ็บความปวดความทุกขเวทนาต่างๆขันพอปรงหาบนั่นลงไว้ที่พื้นแล้วเบาหมดเลยร่างกายอันนี้เบาตลอดถึงความรู้สึกทาง จ, จิตใจอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลมาหัดปรงอุปาระอันหนักคือขันธ์ทั้งห้าอันนี้ลงไว้ ตามสภาพของมันแล้วใจนี่ไม่หนักไม่หน่วงอะไรเลยความรู้สึกของขีดใจนี่เมาปลอดโปร่งแม้ว่าจะได้สัมผัสกับทุกขเวทนาบางครั้งบางคราวอย่างนี้นี่มันก็ไม่เดือดร้อนใจมันกำหนดรู้เท่ามานานแล้วลงขันห้านี่ลงแล้ว เมื่อปรงลงแล้วไม่ถือว่าเป็นของเราแล้วเวลามันกระทบกระทั่งจิตมามันก็จิตก็รู้เท่ารู้ว่ามไม่ใช่ของเราเราจะไปเสียใจดีใจกับมันพราะเมื่อมันไม่ใช่ของเราเราจะไปผูกพันกับมันทําไมอ่ะก็สอนใจตัวเองเรื่อยไปอย่างนี้แหละธรรมดาผู้รู้เท่านะอืคนไม่รู้เท่านั่นมีแต่เศร้าโศกเสียใจ มีแต่เดื อ, ร, อร้อนทุรนทุรายเมื่อร่างกายสังขารอันนี้มันแปรปวนกระทบกระทั่งกับจิตเข้าไปนั่นแหละมีแต่วันไว้ไปมาเหตุ น, น่ะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปัญจุปาดานักขันธาดุข่าความเข้าไปยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตเ น, ต น, เ, นเป็นทุกข์ทุกรวบยอด เป็นที่รวมของทุกข์ก็ว่าได้ทุกข์ต่างๆที่พรฒ น, นามาหมดนั้นมันมารวมอยู่ที่ความยึดถือนี่นะถ้าปล่อยวางเสียแล้วไม่ยึดถือซะแล้วทุกข์เล็กๆทุกข์น้อยๆทุกข์ใหญ่ๆโตๆอะไรหมดนั้นทุกข์อันเกิดจากเหตุต่างๆหมดนั้นก็ดับไปหมดเลยอืม หม้เขามาทุกข์ทางใจนะเช่นทุกข์เกิดจากความเศร้าโศก ค, ความเสียใจความพิไรลำพันธ์ความอึดอัดใจความคับแค้นใจต่างๆหมดนี้นะมันก็ดับไปหมดเมื่อละอุปท า, านขันธ์ห้านี้ลงได้แนละ้วอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นทุกข์บ้นี้ อยู่กับคนหมู่มากก็อยู่ได้ไม่คับอกคับใจอยู่กับคนหมู่น้อยก็อยู่ได้ไม่ไม่เหงาไม่เปล่าเปรียวอยู่กับคนหมู่น้อยก็เหมือนกับอยู่กับคนหมู่มากความรู้สึกเสมอไปก็ทำมไมยังเป็นอยางงั้นก็เป็นยังงั้นสิ เพราะว่าไม่ถือว่าขันห้านี่เป็นตัวเป็นตนแล้วเนี่ยมันจะไปคับแคบอะไรหรือเป่านี้อือ ม, มันจะไปขวางอะไรอ่ะถ้าไปถือขันห่านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วมันคับโลกอันนี้เลยเอออยู่ในกาลังบานนเนี่ยอยู่ในกาลังบาใครพูดอะไรซุกซิบอยู่ที่ไหนก็ว่าจะเขานินทาตน เขาไม่หวังดีต่อตอนเขารังเกียจตนก็วิตกวิจารอยู่นั่นแหละก็มันหลงสำคัญว่ามีตัวมีตนอยู่ในขันห้านี้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ถ้าหากว่ารงขันห่านี่ลงด้วยอำนาจแห่งปัญญาลงไปแล้วไม่ไม่ไม่ได้หลักคำหนึง่งไม่ได้วิตกเลย อใครจะสรรเสริญก็แล้วแต่ใครจะนินทาก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวไม่หวงอยอมยอมหมดทุกอย่างก็มันไม่ใช่ของเราเนี่ยจะไปหวงมันไว้ทําไมอืก็ปล่อยให้เขาสรรเสริญไปปล่อยให้เขานินทาไปเพราะสรรเสริญนินทามันเป็นธรรมประจําโรคตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราจะไปห้ามไม่ได้เลยอืม ห้ามไม่ได้แล้วพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจความจริงของชีวิตมันมีเหตุปัจจัยเป็นมาอย่างนี้นะเมื่อผูใ้ใดอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเพ่งพิจารณาดูเหตุปัจจัยเห็นตามเป็นจริงอย่างว่านี้แล้วมันก็บรรเทาทุกข์ทางใจได้แหละถึงแม้ว่า มันจะละอุปทานขันห้านี่ให้ขาดเด็ดลงไปไม่ได้ทีเดียวกว็ะชังแต่ว่าเราก็พยายามทําความรู้เท่าขันห่านี้เรื่อยไปแหละเพราะว่าความจริงของอันห่านี้เรารู้อยู่ทุกคนนะทําไมจะไม่รู้ละ่ะก็มันไม่เที่ยงนี่อไม่ว่าขันห้าของใครแหละมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันหมด เมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์มันหวันไว้ไปมามันทนอยู่นิ่งๆไม่ได้อย่างนี้แล้วจะไปยึดถือเอามันทำไมอ่ะปัญญาก็สอนใจของตัวเองเสมอๆไป คนส่วนมากมันไม่ค่อยได้ใช้ปัญญาสอนจิตตัวเองอย่างนี้นี่พะเหตุนั้นมันจึงไปหลงยึดถือขันห้าเอาซะอย่างเต็มตัวไไเลยเปอ่าเมือม่อไปยึดขันหน้านี้มากมากเข้าไปแล้วมันก็อึดอัดไปหมดแหละอย่างที่ว่ามาแล้วถ้าใครเขาสรรเสริญเยินยอให้ดีอกดีใจถ้าเขานินทาว่าร้ายให้หน่อยหนึ่งไม่ได้เสียใจหลาย อ, อึดอัดตุนวายไปที่ไหนก็สำคัญว่าแต่เขารังเกียจตนอยู่อย่างนั้นหรือว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงมาอย่างนี้ก็กลัวตนจะตายอ้าวเดือดร้อนใจเศร้าโศกใจนึกถึงญาติพี่น้องเออไม่มีใครมาเหลียวแลเราไม่มีใครมาช่วยเหลือ วิตกปัจจัก็ยิง่งเศร้าใจไปเท่านั้นไอ้อย่างนี้นี่ไม่ใช่นักภาวนาแล้วผู้ใดมีจิตใจเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ผู้กรงสังขารผู้วางสังขารแล้วผู้หอบเอาสังขารไว้อืมเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจภาวนาพิจารณาให้มันเห็นแจ้ง ประจัก์ด้วยตนเองเพราะความจริงมันมีให้เราพิจารณาอยู่แล้วทุกวันทุกเวลาทุกนาทีแต่ว่าคนส่วนมากมันประมาทมันไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในไม่ไม่ได้สร้างทำนกคือสติสัมปชัญญะให้แก่กล้ามันจึงห้ามจิตห้ามความคิดความนึกไปไม่ได้ ดังนั้นพึ่งพากันตั้งอยู่ในอัปมาธาธรรมคือความไม่ประมาทแล้วเราก็เราจะได้พบผลทางพ้นจากทุกข์ภายในสงสารดังแสดงมา